เราพากันนั่งนานๆบ้นางบ่ะตั้งนิเชื่อแหละเนยนั่งก็คือแปลงแปลงแปลงแปลงสัญญาให้เป็นปัญญาบ้างเดี๋ยวนี้เราก็จํามาอ่รู้หมดลงปู่นั่นหลวงตาหนี้พระพุทธเจ้าสอนนู่นนั่นนี่บางทีก็รู้มากกว่าค <c oughs> ่ะอืี๋ยวมาลู้ทั้งลูอืเ่แต่ก็อยู่อยู่คนเดียวอืมก็อึดอัดอยู่กับหมู่ก็ไม่สบายใจอืม แต่ให้พูดธรรมะเรารู้หมดมแล้วจริงๆเนี่ยเข้าใจในบริบทใ น, นที่พระเจ้าสอนธรรมะเพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้จักการบริหารจากการตัวเองคอนโทรลตัวเองในที่จะอยู่กับสภาพแวดล้อมตามเป็นจริงให้มันง่ายขึ้นมไม่ใช่มาเรียนเลยนี่สิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดแล้วก็จะไปพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งให้ได้ดังใจเราบอกไม่ใช่ บริหารจัดการตัวเองนี่แหละที่จะอยู่ร่วมกับสภาวะเวทร้อมตามเป็นจริงให้มันได้ไม่ชอบก็จะอยู่แต่ถ้าอยู่จําเป็นต้องอยู่ก็ต้องอยู่ให้ได้แต่ถ้าเลือกได้ก็ไม่ต้องไปอยู่ในสิ่งที่ไม่ชอบอะ่ะอืมแล้วในโลกนี้มันจะมีสักกี่ที่มันจะมีสักกี่คนอ่ที่จะได้ดั่งใจเราเป๊ะๆอืมไม่ได้หรอกอืมได้แต่ทาใจแหละอืม ถ้าไม่ทำใจก็ไทลีนอนแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆอืมไมันก็ใช่เป็นแบบนั้นเพราะที่ทำงานเราไม่ใช่ที่อยู่พระอราหารันตเ์เราผัวเราเมียเราลูกเราไม่ใช่พระอราหันต์คนมีกิเลสด้วยกันนี่แหละเพราะฉะนั้นเตรียมรับสภาพเลยคนมีกิเลสมันก็ต้องมีความเสี่ยงที่จะทำผิดอยู่แล้วไม่ว่าเขาหรือเรา นี่ว่าเขาจะผิดนู่นนั่นนี่เราก็มีโอกาสที่จะผิดได้เพราะเราก็ยังเป็นปุถุชนยังเป็นกิเลสอยู่ในเรม่การาเรียนรู้เพื่อ บ, บริหารจดการตัวเองนี่ก็กิเลสเราน้อย่ความสําคัญมันความสำคัญมันหมายในตัวเองมันน้อยมันก็จะมองโลกอีกมุมหนึ่งมุมที่เข้าใจความเป็นจริงของสรรพสิ่งมันเป็นแบบนี้ไม่ว่าเราจะมาเกิดหรือไม่มาเกิดอืมเป็นแบบนี้อืมกะ แล้วก็หันมาบริหารการเรียงถ้ายังเป็นต้องอยู่จะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงกับกัางวันจะอยู่ยังไงกับกลางคืนเน่ะอ่าจะอยู่ยังไงกับสภาวะที่ร้อนหนาวชื้นอือคือมันเป็นแบบนี้ไม่ว่าเราจะมาเกิดหรือไม่มาเกิดดเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเจออย่ามาเกิดอือดะถ้าไม่อยากเกิดก็นี่แหละมันจะต้องลงมาที่จะต้องอ่ามาปฏิบัติอืมอืปฏิบัติคือ มาผลิตปัญญาที่จะแก้ความหลงให้ตัวเองหลงสําคัญนั่นหมายวันนี่คือเรานี่คือของของเราตั้งแต่ความรู้สึกว่านี่คือเราแล้วขยายออกมาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยรูปขันเนี่ยว่าเป็นเราเป็นของของเราทั้งที่เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลมันได้ไม่ให้ผมงอกได้ไหมเห่ะไม่ให้ผมล่วงได้ไม่ไม่ให้ผมแตกปลายได้ไหมเหะอ่าไม่ให้ปวดขาปวดแข้งเนี่ยมันเป็นไปได้อะมีอะไรอยู่ในอำนาจเราอื อัที่พระเจ้าสอนคือให้มาดูตัวเองน่ะไหนคุณอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนนะมีอะไรที่อยู่ในอํานาจเรามีอะไรที่เราบริหารจัด ก, การมันได้นะมีถุนความหลงเท่านั้นนะนะคิดนะว่านี่คือเราในยึดเป็นจริงเป็นจังกับสิ่งที่ไม่เสถียรแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเฝ้าพยายามที่รักษาสิ่งที่ไม่เสถียรให้มันเสถียรความรู้สึกก็เลยไม่เสถียรขึ้นๆลงๆเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชัง ืมเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเนอะซึ่งมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอืมีแรงกระทำก็มีค่าสัมปรสิทธิ์แรงเสียดทานนะ่ะอืยากสงบก็ไม่อยากฟุ้งซ่านอยากเป็นปกติก็ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงอืมแล้วก็เกิดเอนโทรปีความไม่เป็นระเบียบอืมเกิดขึ้นว้าวุ่นในใจเนอะืมเข้ามาดูตรงนี้ที่พระเจ้าสอนนมาดูความรู้สึกเอืมมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงขนาดไหนอะ มาเข้าหาเหตุของมันทําไมมันต้งเป็นแบบนี้เพราะมันอยากกับไม่อยากตัณหาแรงกระทํากับค่าสัมประสิทธิ์ <c oughs> เป็นแบบนั้นเอฟเท่ากับเ <c oughs> อเออ่ะมันนั่งเพื่อเข้าไปสู่ซิกมาเอฟไม่ได้ซิกมเอเ่ากับศูนย์สมดุลสถิตไม่มีแรงกระทําก็ไม่มีความเร่งไม่มีงานก็ไม่มีพลังงานการอนุรักษ์พลังงานก็นั่นไงที่บุตรเจ้าสอน อืมจะคุยเรื่องกฎแห่งกรรมก็ว่าล้าหลังอืมุกฏนิยมตั <okay S 2> <c oughs> นอือืโอเคป่ะอืมอืมอืมก็จะไปฟังฟังเอาอย่างเดียวฟังเราก็ได้สิ่งที่จำมาจำมาแต่เป็นปัญญาของคนอื่นปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาของพระอรหันต์าเป็นกว่าที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยอ่าเรี n นรู้ใบด้วยงอืมอืมลงมือ นั่งดูก็จะเห็นแหละทีนี้สภาวะทำตามเป็นจริงที่เกิดขึ้นสุ่มส้่นง่วงเหงาเขานอนเป็นเน็บเจ็บปวดสภาวะทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นจิ้งิ้งเบสเลนดิ้งคิดมีเคราะไข้ควรประเมินนั่นได้อีคิลลี่เบสเลนิงง่ค้นหาความรู้กับสภาวะทำตามเป็นจริงที่มันเกิดทำไมต้องเป็นแบบนี้นั่น ดูงได้ประโยชน์อมไม่ได้จำมาไปพ่นใส่กันที่เสฉะไม่ได้ประโยชน์นั่นปัญญาคนอื่นอืนั่งดูตัวเองเนะอืมตัวเองคือความรู้สึกนึกคิด่ะที่พระเจ้าท่านสอนให้สติตามดูจิตสติตามดูจิตจิตคือธาตุรู้มันก็จะต้องออกรู้ตามสัญชาตญาณ ก, กิเลสในการแสวงหา ก, กินกวามเกียดและละแวงไพรนั่น มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วสติความระลึกได้ระลึกได้ที่มีคุณภาพของสัตว์ชั้นสูงนะแต่เราก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นบาลีก็เลยอุปมาปรมไยพอได้เห็นภาพคือความรู้สึกจากพีฟอนท่องคอเท็กอ่ะอือก็เป็นความรู้สึกที่เรียกว่าสติเนี่ย แต่ความรู้สึกจากอะมีดาล่าการปรุงแต่งของสมองส่วนนี้ที่สังการตัวปรุงแต่งเวลาถูกเล่ามันก็จะปรุงไปตามสัญชาตญาณของมันในการสแสวงหากินกามเกียดและละแวงใครแต่ที่นี่พีคอนทอนมีศักยภาพในการวิเคราะห์ตึกต้องไข้ควรรับยัง้งแล้วค่อยตัดสินใจ่ะมันมีคุณภาพถึงไมหระนั่นคุณภาพมันยังไม่ถึงณปัจจุบัน ท่านะนถึงให้มานั่งภาวนาคือกระบวนการอัปเเวลขึ้นความถี่ของพีคอนทอนให้มันมีคุณภาพมันถึงจะได้รู้ทันรู้เท่าอมริ ล, ล่านะการปรุงแต่งของสมองส่วนนี้ตามสัญชาตยานนะั่นะอย่าไปคิดว่าเ ร, เราคนยิ่ไปทำไม่ดี น, นู่นนั่นนี่เขาไม่มีสตินะไม่มีใครละเมอไปป้นหรอก ไปเล่นยาไปค้ายาไปคอร์รัปชันมีใครละมือทำมันคิดมากกว่าเราอีกวางแผนซับซ้อนมากกว่าเราอีกมันจะใช้ส ม, มองส่วนไหนจะไม่ใช้พีคอนท่านคอเทกัมแล้วมันจะตามส่วนไหนถ้าไม่ตามส่วนอะมิละลลาการปรุงแต่งในส ม, มองส่วนนี้ตามสัญชาตญาณในการสแสวงหากินกามเกยนและระแวงภัยของสัตว์ที่ยังมีกามอยู่สัตว์ชั้นสูงนี่ไงมันจต้องหันมา ดูตัวเองดูนี้บริหารจัดการตัวเองดูตรงนี้พุโทโธพุโทโธนั่นแหละนะคือพยายามที่อยู่กับความเป็นกลางไว้ก่อนไม่งั้นมันก็จะไปอืมนะเดี๋ยวก็ไปอดีตเดี๋ยวก็ไปอนาคตเดี๋ยวก็ไปรักเดี๋ยวก็ไปช่างวุ่นวายอยู่ตลอดอ่ะมันเป็นธาตุรู้จะให้มันอยู่เฉยๆเอยๆเลยมันมันอยู่ไม่ได้อต้องบริหารจัดการมันนะเหมือนว่าวอยู่บนฟ้าได้อืมถ้ามีเชือกเดียวรั้งมันก็จะอยู่บนฟ้าได้ แ ต, แต่มันก็จะต้องไปซ้ายเดียวก็ไปขวาแต่ถ้ามีเชือกเหนี่ยวลังไปซ้ายเดียวก็กลับไปขวาเดียวก็กลับแต่ถ้าไม่มีเชือกเหนี่ยวหลังมันก็ไปไม่รู้ที่หมายตกตามกระแสอารมนี่เหมือนกันจิตเราถ้าไม่มีคำบริกรรมหรือไม่มีสิ่งรู้ยึดเหนี่ยวไว้นมันก็ไปตามกระแสอารมณ์ไม่รู้ที่หมายตก เดี๋ยวก็อดีตเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวก็รั ก, กเที่ก็ชังไปเรื่อยเฉยเห็นไหมพุทธยังไม่โทรก็ไปรอบโวกแล้วนะอืมอท่านดูให้มายื้ออยู่ตรงนี้ก่อนฝึกไว้ฝืนไว้นั่นเี๋ได้เข้มแข็งอสติเข้มแข็งมันถึงจะรู้ทันรู้เท่าอืมมีนาลาเนีมีแรงกระทํั่งก็มีข่าสัมประสิทธิแรงเสียทันนอยากสงบก็ไม่อยากฟาุ้งั่านแล้วก็เกิดเอนโทรปีเลยว้าบุ่นในใจนั่น ของร้อนมันถึงจะทำให้ความาบุ่นมันเกิดโมเลกุลสาาสารกระเจิงก็ต้องร้อนแ่ละถ้าของเย็นก็จะเป็นระเบียบกับของร้อนแ่ะนี่ไงมันบทพิสูจน์ว่าคุณเย็นหรือคุณร้อนเหรอให้นั่งสามชั่วโมงอย่างเงี้ย อ, อยู่เฉยๆ ก, ก็ไม่มีความสุขแต่ทำงานก็บุนว่าเหนื่อยอ นพุทธเจ้าให้มานั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องคิดอะไรเอาพุโทโธพุโทโธนี่อยากขยับนะเดี๋ยวเสียพลังงานเน่ก็อยากเกดคิดแตะทีนี้อยากจะดิ้นอยากจะขยับเพราะการเบี่ยงเบ น, นมันเป็นทำทาให้เราพอที่จะผลใครถ้า ม, มิลของสแตติกมันจะเยอะมก็มิลเชนติติมันดั่นเดียว ถ eh ึงไปเอ็มเคกันเอ็มห้อยเอนจะทุกข์อย่งงี้ยมราฟังมาเยอะๆแล้วก็ นั่งประมวลหาบทสรุปไปวัดไปเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกถ่ายทอดจากพระสงค์รู้แล้วกับประมวลหาบทสรุปประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของเราสะสมพลังงานไว้ตัวพุทโธนี่นแหละเก็บสะสมไว้ต้าสติมันจะเข้มแข็งแหละแล้วทีนี้มันก็จะอยู่กับสิ่งเลวได้ดีขึ้น มาเตรียมตัวเองใ ห, ให้มีทักษะยับยั้งชั่งใจให้รู้จักผิดหวังเป็นให้รู้จักอดทนอดกัน้นไม่ใช่ตามใจตัวเองเอาแต่ตะ ก, กะมาหนุนตัวเองสิ่งนั้นถูกสิ่งนี้ผิดไม่ใช่เราไม่ได้มาฝึกเป็นเอไอไม่ใช่คอมที่จะรู้แต่ถูกกับผิดมนุษย์สัตว์ชั้นสูงมันต้องรู้จักกลางยืดหยุ่นย้นยนยนอนะ อ้าวใครมีอะไรอีกคุยมากกับเคดมีใครจะคุยหรือสอบถามไหมครับก็สามารถยกมือหรือสอบถามได้นะครับฟังมาเยอะแล้วไงในลองคุยฟังหน่อยดที่ว่าฟังทมแล้วปฏิบัติทมแล้วเป็นไงมั่งดูอย่าดูแต่ ไอ้ภาพรักของตัวเองดูผลลัพธ์ด้วยอตั้งแต่ไปวัดมานะ่ะอืมไปทําบุญมาไปฟังธรรมมาแล้วเป็นไงกับผลลัพธ์อ่ะยังมาหลงในภาพรักตัวเองว่าตัวเองเป็นคนใจบุญสุนทานชอบไปวัดนูน่นวัดนี่เป็นไงอยู่กับคนง่ายมหมเลยออยู่กับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อ น, นวุ่นวายได้ง่ายไหมหรอืมมีความสุขไหมล่ะอยู่ดีสวยสามารถผลิตความสุขให้ตัวเองได้ไหมหรอนั่น มันต้องเป็นแบบนั้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มีคุณภาพขนาดไหนไมันต้องหันมาดูแบบนี้ดูไม่ใช่ว่าเออดีอยู่คนเดียวอืมดีอยู่คนเดียวคุณลักษณะเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมไปวันนั่นไปวัด น, นี้ชอบทาบุญนู่นนั่นนี่แต่พอไปคุยด้วยนะคุณสมบัติยังไม่ใช่ผู้มีธรรมเพราะมันยังไม่มีสมบัติเป็นกลางอยู่กับคนอื่นก็ยากอ่ะ เหมือนจะเป็นทองอ่ะคุณลักษณะเหลืองอย่างนั้นนะแต่คุณสมบัติยังไม่ใช่มันยังไม่มีสมบัติเป็นกลางอ่ะมีปัญหากับธาตุอื่นอยู่แค่ศิแล้นั่นแหละเป็นแบบนั้น นี่เหมือนกันหันมาดูตัวเองดูผลลัพธ์ด้วยนั่นะเช็คดูตัวเองที่พระเจ้าสอนไม่ได้ไปเช็คดูคนอื่นเรื่องคนอื่นคือเรื่องคนอื่นไม่ได้ตกนรกแทนมันหรอกมันไม่ได้ทำอะไรกับเรื่องของมันมั <c oughs> นี่เป็นแบบนั้นก็คนฆ่าตัวตายมันมีคนคิดคิดสั้นคิดยาวนั่นแหละคนคิดสั้นไม่ฆ่าตัวตายหรอกอุย้ยช่างแมงเธอไอ <c oughs> คนฆ่าตัวตายทำไมต้องเป็นเราเราเป็นคนนั้นเราเป็นว่า อาวุ่นอยู่เรองนั้นมัคิดยาทําอยู่เนอืยเดี๋ยวไปโดดตึกตายกินยาตายบอกคิดสั้นไม่คิดสั้นแม่งคิดยาว <c oughs> แล้วคนคิดสั้นไม่ค่าตัวตายช่างแม่งทึง่เขาเรียกเด็ดอิดบีเขีบป่ะนั่นพุทโธไปเบียงเบนไปเบียงเบีเบนอารมณ์ สูดลมหายใจเบีเ่ยงเบนทั้ครั้งสองครั้งพอสบายใจใหายใจก็พูดให้ยใกโทรปฏิบัติได้ทุกที่ในที่ทํางานก็ได้ แ, แ, แต่ยจะแบบมีเวลาเอื้อถ้าไม่มีไม่มีอะไรมาเกี่ยวเนื่องอืมสูดลมหายใจพิงพนักเก้าอี้อยู่สูดลมหายใจเบีเ่ยงเบนความรู้สึกครั้งสองครั้งพอสบายใจก็หายใจก็พูดให้ยใจออกโทรพูดโทรพูดโทอนาทีสองนาทีสามนาทีก็แล้วแต่จะมีเวลาเอื้อ เดีอยวพุทโธพุทโธทั้ง <def> ว <uras> <X net repay> <This programme> ันนี๋ก็ไล่ออกคือแงมันพอดีอ <ivo> ืมพอดีกับเพศภาวะสถานะการละเทสะแต่เขาไล่ไปบวชก็ไม่ไปนั่นนหะ อย่าไปทำเช่นขื่มในที่ทํางานไม่ใช่เนี่ยซ้ำทําทํา ท, ที่บ้านฝึกให้เข้มเข้าหาันเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งลงดูซิตั้งนาฬิกาเลยสองชั่วโมงนี้เราจะไม่ขยับสามชั่วโมงนี้เราจะไม่ขยับนั่นความเข้มแข็งเข้าหันเด็ดเดี่ยวต่อสู้กับตัวเองง่วงเหาหันนอนก็จะฝืนแล้วเป็นเน็ตเจ็บปวดก็จะฝืนนั่นพิจารณาแยกแยะใข้ควรนั่นมันจะเป็นแบบนั้นอแต่ทีนี้เวลาอยู่กับหมู่คณะ นอ่อนน้อมท่อมต้นเอเื้อเฟื้อเอื้อกลุเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ารู้จักยืดหยุ่นอืมือนหยวนในความเป็นตัวของตัวเองอแต่รู้จักยืดหยุ่นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมันเป็นคนมีธรรมเหมือนน้ำมันไม่ได้ปฏิเสธภาชนะะมันอยู่ได้หมดอยู่ในขวดก็ได้ในแก้วก็ได้ในกระโจนก็ได้แต่น้ำก็คือน้ำ น, นั่ น, น, นเหมือนทองแท้ทองคํามีสมบัติเป็นกลางอยู่ไหนก็ได้อืม อยอยู่ในตัวเรายังได้เลยแล้วามาเช็คดูสิเราปฏิบัติธรรมมาทาไมอยู่กับคนยากนั่นยังมีปัญหากับทาตอื่นก็ไม่ใช่ทองแท้แยังมีปัญหากับคนอื่นก็ยังไม่ผู้ไม่ใช่ผู้มีธรรมแท้แต่คุณลักษณะเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมอาศัยสถิติการเข้าวัดกับการทาบุญภาพลักษณ์ดูดีแต่ผลลัพธ์ยังไม่ใช่เช็คดูตัวเองถึงจะถูกปฏิบัติธรรม มีต้องมาให้อาจารย์โน้ตำมาแล้วมาสอบอารมณ์เี่ ย, ยังกับแฟนขับหมอจิตเวช <c oughs> ไม่ใช่เรื่อง <c oughs> ใครต้องมาสอบเราเราต้องสอบเรา <c oughs> เราต้องรู้ดิพุท ธ, ธะพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องรู้เรามีคนอื่นต้องมารู้เราไม่ใช <c> ่ <oughs> โอเคนะยังกิติ มาทีนี้ถามจะได้เข้าประเด็นจะได้ตอบได้คุยยาวๆไปก็ไม่รู้ใครอะไรมั่งเวลาพวกเราก็มีน้อยด้วยนะเซ็ต จ, จริงห้องนี้ยังดีพระนั่งสักสามชั่วโมงจะได้รู้ <c oughs> ชอบปฏิบัติธรรมเนี่ยชอบฟังธรรมเงินตั้งแล้วก็ประมวลหาบทสรุปไปประยุยคใช้ดูผลลัพธ์หนึ่งดูอยูด่ด้วยนะ อืมอืมว่าเใครยีก่ะใครมีอะไรกองข้างหลังนะอืมอืมไม่มีอะไรคุยแล้วเราเอาปกติเราไปเราก็มีแต่จะพานั่งเราไม่ชอบมันนั่นมากคุยไปแค่แค่นั้นรู้ถึงนิพพานก็มีประโยชน์หรอกไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกมันเลื่อยเฉย หนักๆน่งก็เข้ากับบ้าบอคอแตกไปหาเวทมนตล์กระษาสะดอกเคาะต่ อ, อยุ่เครื่องล้างของขังไปหมดผกไม่ใช่ศาสนาพุธแอคชั่นกเรียกเช่นเน่อืมอืมทำไงได้อย่างงั้นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้สอนพระธรรมคือแนวทางภริยาสูงคือแรงจูงใจแต่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไ้มเราคือผู้ลิขิชีวิตเราท่านให้มานั่งภาวนาเพื่อสะสมพลังงานอะ อระสมพลังงานออกจากความสงบมีกาลังเหมือนเราพักนอนพักแล้วได้กำลังแล้วตื่นมาก็จะไปทำงานก็ค่อยเรียบเรียงจะไปทำงานอะไรไอ้ที่จะสาคัญมากน้อยเร่งด่วนอะไรก็เรียบเรียงมาที่จะทำเหมือนกัน ก, กินข้าวก็เพื่อเพื่อให้มันมีกำลังกินข้าวแล้วมีแรงแล้วไปทำงานจะทำงานอะไรกันนีไ่ไง แต่เหมือนกันเดะตอนที่มันเหนื่อยมันล้าอยู่อย่างเงี้ยอยากจะไปทำงานกคงไม่มีแรงติตที่กรสับกระใสวุ่นวัยอยู่ทั่นถึงให้ทำความสงบทำความสงบให้มันเกิดขึ้นกรรมาฐานกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งที่ตั้งแห่งการกระทำนะ ไปอยู่ที่นี่ไงคำบริกรรมพุทโธหรือพิจารณาผมคนเรียบฝันหนังอะไรก็ได้เพื่อจะดึงจิตให้มันอยู่หนึ่งเดียวเข้าไปสู่สมดุลสถิตให้ได้เข้าไปหาความสงบให้ได้นะออกจากความสงบแล้วค่อยมาพิจารณานั่น มันถึงจะเป็นสมดุลจนการเคลื่อนที่ที่เสถียรเดี๋ยวนี้ไม่เสถียรพุทธยังไม่โทรกันไปรอบโลกแล้วมันจะมาพิจารณาอะไรให้เบื่อหนมันไม่ได้ความรู้ของเราเดี๋ยวนีน้เหมือนฟังเสียงตามสายจากผู้ใหญ่บ้านนันก็ได้แค่นั้นกับคนที่สามารถเชื่อมตัวเองกับดาวเทียมได้นะมันรู้ลึกกว่ากันนะั่นดะูก o o g l e แ a p สิเนี่ย ดูแผนที่ประเทศไทยอยู่ไหนแล้วประเทศกรุงเทพอยู่ไหนของของประเทศไทยแล้วตึกนี่ของเราเยอยู่ตรงไหนเนี่เรอทีโอทีอยู่ไห น, นต้องขายายดูสนะินั่นครูบาอาจารย์ท่านพยายามที่จะทำความสงบให้เกิดขึ้นอยู่ในเลเวลที่มันจะใช้ประโยชน์ได้นั่น ก็เหมือนที่นั่งวุตโต ว, วุตโตอยู่นี่ก็เหมือนกําลังคิดทําดาวเทียมและพยายามที่จะส่งดาวเทียมออืม mm hmm. ไปอยู่ในชั้นที่มันโอเคเนะื้อเทอร์โมสเฟียร์ผ่านเส้นคามันไลก็นี่ไงนั่งให้มันผ่านเวทนาหนึ่งเนือเวทนาหนึ่ะให้มันอยู่ในส่วนอ่า <c oughs> ชั้นบรรยากาศที่มันเวิร์กที่จะใช้งานได้ก็เหมือนเขาส่งดาวเทียมไปในชั้นเทนะอร์โมสเฟียร์น่ะ มันัยจะใช้งานได้ดีอ่เป็นแบบนั้นอ่แต่ทีนี้ของเรามันยังใช้ไม่ได้อืมตรงนี้แต่ขนาดเครื่องบินหนึ่งเขายังอยู่ในสตาร์โซเซียเนี่ยอืมพออยู่มันจะต้องเหนือกับเทอโพเซียนดิความว้าวุ่นมันเยอะนี่อืมของเราอยู่ในนี้มันยังไม่พออ่าเป็นแบบนั้น และทีนี้นพอนั่งพุโทโตพุโทโตก็อยากพิจนารณาโน่นนั่นนี่อย่าเพิ่งพิจารณาอย่าช่วงเครื่องบินเทคออปขอให้มึงลักเทมขัดก่อนไมเ่นนันอยู่เฉยๆนั่นมึงอย่าพลาดมนมันตายในระดับเพดานบินได้เลนเออนั่น เขาให้ปลดเข็มขัดอเข้าห้องนงห้องน้ําเสิร์ฟกาแฟกันนะนี่เหมือนกันทุกทไวไงอย่าคิดอย่าพิ่งมีปรัชนงธนาบ้าบอลเนดะ้อ จ, จะคิดที่จะหยุดคิดนะ่ได้แต่อย่าไปเวิปัสสัสนาธนการบอกไ ม, ไม่ใช่ยังไม่ถึงเหมือนเด็กอนุบาลพูดเรื่องวิญญาณิพนธ์มีวุทฒิภาวะแบบนั้นเหรอดูอย่าคิดได้ว่านั้นหมอเรียนอนโตมีไ ป, ไปเป็นอร า, ารหันก่อนมึงเลือลองคิดเ <c oughs> ให้มันความสงบเป็นฐานรองรับก่อนนะ เห้อเห็นมันมือวุทธิภาวะก่อนเข้าไปสู่ความสงบได้เนาะอ๋อนั่นเห็นแล้วนี่โอ้ในความสงบเป็นแบบนี้นี่สมดุลสถิตอ๋อไม่มีแรงกระทำอ๋อไม่มีความเร่งไม่มีงานก็ไม่มีพลังงานการอนุรักษ์พลังงานอ๋อให้มันเห็นแบบนั้นนะเหมือนเรากินข้าวอิ่มนะะมันอิ่มในอ่ะอิ่มแล้วทีนี้มันไม่เอาแล้วเปรี้ยวหวานมันเค็มผลลหมากลากไม้มันก็ไม่เอาแล้วมันก็ทิ้งแล้ววางแล้วมีใครมาเป็นพยานเราลรอ มีใครมายืนยันว่าเราอิ่มเราเป็นผู้ยืนยันตัวเองไม่ใช่เลือ่องนะสภาว่าอิ่มนี่คืออิ่มแลนะนี่นัน่นเราก็เลิกเองไม่ใช่วางช้อนเองไม่ใช่เลือ่องต้องให้ใครมายืนยันมิมีความสงสัยไหมวิจิกิจษาอ่าลังเลสงสัยในสภาว่าอิ่มของตัวเองไหมหรอถ้ามันอิ่มจริงนั่น นี่เหมือนกันเละถ้าอิ่มในอารมณ์แล้วมันไม่มีอดีตมันไม่มีอนาคตมันไม่มีรักไม่มีชังอย่างไงสมดุลสถิตเน่ยสิ่งมาเอฟด้กับศูนย์ก็นี่ไงให้มันเห็นแบบนั้นสิจะไปถามใครหรอถ้าวิตกิจฉาอยู่กันนิวรณ์อยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้สงบอยู่นี่ยเดีถ้าอวกาศมันจะแรงนุ่งถ่วมยัมีปัญหาเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าอยู่ในชั้นบรรยากาศมันก็หนีไม่พ้นแรงน้่งถ่วงของโลกกันี่ไง จะต้องเป็นพยานดินดันตัวเองอย่างนั้นแต่อิ่มในอารมณ์มันก็ไม่มีอารมณ์อื่นแล้วเอกกตาอารมณ์เอกกต า, ข า, ข า, ตาจิตจิตเดียวอารมณ์เดียวอ๋อน่ะให้มันไปเห็นตรงนั้นก่อนนะมันถึงจะไม่มีวิจิกิจสาลังเลสงสัยมันถึงจะไม่มีศีลปะตะประมาทมงคลถึงนข่าวมันถึงจะไม่มีสักยะทิฏฐิความเห็นเดิมแต่เริ่มที่เขาว่านู่นนั่นนี่นั่นเป็นพยานตัวเองเนี่ยที่พระเจ้าว่าเอะจะเห็นข้างในแล้วก็โอเคละทีนี้ มันก็จะเริ่มเข้าใจข้างนอกอ่าตั้งแต่ฟุ้งซ่านเป็นแบบนี้อ่าในตั้งแต่เงอ่วงเหนาหาวนอนเป็นแบบนี้เป็นเหนิบเจ็บปวดเป็นแบบนี้นั่น มันก็จ ะ, ะเห็นเห็นความไม่เที่ยงไม่เสถียรการเกิดขึ้นการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอที่พระเจ้าสวดอยงที่ไปฟั ง, งาากันธรรมจักจักคุงอุทาปาทิยานางอุทาปาทิปัญญาทาปาทิวิจารทาปาทินะ่ะเห็นไหมเกิดขึ้นแล้วแกเราเกิดขึ้นแล้วแกเราที่ท่านยืนยันตัวเองในเทศกันแรกของพระองค์นั่นจักคุงอุทาปาทิดวงตาดวงตาแห่งธรรมอ่ะเกิดขึ้นแล้วแกเราอ่านี่เหมือนกันน่ะนั่งลงไปก็เห็นไหมน่ะฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วแกเรา่วงาเงาเขานอนเกิดขึ้นแล้วแกเราเป็นเหน็บเจ็บัวดเกิดขึ้นแล้ว แต่เรากันนี่ไงทุกครั้งอริยสัจจังให้มันเห็นแบบนั้นเนออี่ยเหรอจะไม่ลงมือทำไม่เห็นนะี่น่ะมีแต่เขาว่าเขาว่านั่นฟังมันจนหูเป็นรูแล้วทำมาจัก่ะ <c oughs> คนสวดก็สวดจนจ่าเป็นปปรูนั่นในจริงจริ ง, รงกันแรกพระเจ้าอย่ายืนยันตัวเองขององค์ท่านนั่นน่ะเหร อ, อเป็นแบบนั้นยังไม่เห็น นะมันเห็นแนละ้วมันก็ไม่สงสัย่นะถ้าไม่สงสัยอ่นะมันก็ไม่มีแล้วอุทธะกูกุจะฟุ้งซ่านลมคาญใจไม่มีศิลประจตประมาทเขาว่านู่นนั่นนี่นะ่ะมันก็รู้มันก็ตื่นมันก็เบิกบ้านอยู่ในใจนเะหนะมือนเรากินข้าวอิ่มนะ่นะอืมรับสงสัยความอิ่มไหมหรือนะมันไม่สงสัยเนะนะนะลยเราจะไปกินข้าวตอนไหนถ้าไม่กินตอนหิวนี่เออ เออการกินข้าวเดี๋ยวก็คือกระบวนการแก้ทุกข์จากความหิวนั่นแล้วท่านมาให้นั่งเพื่ออะไรเนี่ยก็เพื่อให้มันเห็นทุกข์นี่เลเออถ้ามันไม่ทุกข์เลยจะไปหาสมุทัยคือเหตุของทุกข์ตรงไหนเออเดี๋ยวนี้อีริบดเบียงเบนอยู่ตลอดตั้งแต่เช้ายันคำ่ำตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยเด็กมันดิ้นแล้วเห็นมไหมหระนั่นการเบียงบนิงนการเคลื่อนไหวอะ เบี่ยงเบนอิเลียบทคือคกลไกที่จะปกป้องตัวเองของสิ่งมีชีวิตอถ้ามิวมันน้อยกว่าสเตติกะก็นิ่งไงถ้าสัมบัสติของเคมเีติมันก็จะมันนั่นกว่ามันก็จ้งต้องเบี่ยงเบนอยู่ตลอดเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็เดินอยู่นี่เอพราะฉะนั้น ะ, ะที่เราเปลี่ยนอิเลียบดอยู่ตลอดเพราะเราอยู่เฉยๆไม่ได้มันทุกอืบท่านถึงบอกอย่าไปละเมิดกันอย่าไปเบียดเบียนกันนั่น บอเพราะทุกคนนี่ยไงนอนทับทุกนั่งทับทุกยืนทับทุกอยู่แล้วอ ย, อยู่เฉยๆก็ทุกอยู่แล้วก็จะไปซ้ําเติมทุกให้กันทําไม่านมาดูตัวเองแบบนั้นึจะทุกูบเป็นปนการภาวนา่ภาวนาแปลว่าเจริญ <c oughs> เจริญกุศลนะั่นแหละเจริญกุศลคือท่านรู้นะ่ะน่ะ ท่านท่านให้มาดูดูความรู้สึกตัวเองเอฮิปสิโกท่านยังมาดูทำด้วยมาดูความรู้สึกตัวเองโยนิโสมานาจิกานพิจารณาให้แยกใครกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอชอบไม่ชอบรักหรือชังนี่ท่านมาดูทําไมมันต้องรักแล้วมันนานมันอยู่กับเรานานไห่หรืสภาวะรักนี่สภาวะชังนี่มันอยู่กับเรานานแค่ไหนหละ่ะมันเที่ยงเหลยยึดได้เลยอะไรก็ประมาณนี้นั่นคือการโยนิโสมานาจิการพิจารณาให้แยกใคร ไม่ใช่ไปท่องนิสัยนั่นคือสมการที่ท่านพูดให้ฟังแล้วก็ไปเตียวนั่งมันต้องจะเห็นเดี๋ยวนี้เราแปลแต่บาลีหลักการเิสัยนั่งลงไปมันต้องจะเห็นสภาวะนั่นคืออัธะคือความหมายเป็นแบบนั้น นั่งเต็มห้องนี่ลองสักสามชั่วโมงดิก็จะได้เข้าใจและอัตยาตโนานาโถตนแลไปที่เพึ่งอย่างตนนั่งเต็มห้องก็แบ่งเบาความทุกข์เราไม่ได้เด้ยนะทามันไม่สงบปวดแสบปวดร้อนทุรนทุไลใครเชื่ใครได้ก็นี่ไงอัตยาตโนานาโถนั่น ตนแลงไปที่พึ่งอืมคือสภาวะ ค, ค, ค, คือความหมายลย่วิริ ย, ยทุกขธรรเจติคนจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรมันจะต้องเพียรขันตีปรมังตะโพติทิขาขันติคือตปะธรรมที่จะแผดเผากิเลสได้นอกนั้นไม่มีเลยก็ออยงงะนี่ไงะ่ปฏิบัติธรรมสะดวกมันจะบัญญัติไว้ทำไมขันตินอืมอืมโอเคป่ะขอนำเรียนถามอาจารย์ว่าการแยกแยะระหว่าง ปัญญากับสัญญานี่จิตต้องมีพลังพอสมควรไหมครับหรือว่ามีวิธีการไหนที่จะแยกแยะหรือว่าเราจะรู้สึกตัวไหมครับว่าอันไหนคือปัญญาอันไหนคือสัญญาโทรศัพท์มีทุกแอปหรอถ้าไม่มีแบตเอาตัวไหนไปประมวลอืมมันก็จะต้องมีแบตมีพลังงานไม่ใชียวหรือย่างนี้ไงมันไม่มีมันไม่มีกําลังถึงอะอย่างหมออย่างนี้เนี่ยหมอจะไปเรียนเฉพาะทางเลยมันต้องผ่านหกปีก่อนไม่ใชียว ก็แล้วไม่ไม่ปุ๊บก็เรียนเฉพาะทางไปเลยเหรอืมแต่ว่าต้องผ่านการฝึกฝนให้จิตมีมีพลังก่อนอ่ะกันแน่นอนน่ะจะเรียนปอโทปอเอกไม่เรียนปอตีไงอือง <c oughs> ั้นเรจะเรียนปอตีไม่ผ่านมัธยมหรออืม <c oughs> แล้วไม่ผ่านประถมแล้วมาเรียนมัธยมอือ <c> ก <oughs> ็นี่ไงอืมอือมันก็จะต้องมีวุฒิภาวะที่จะสมควรเนอะ ในการที่อย่คิดวิเ ค, า ค, คราะห์ไขวกวนแยกแยะนั่นต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่ ป, ป, ปรับมาเอาเลยอย่างเงี้ยพิจารณาเอาดูสิแล้ก็ลองนั่งท่านให้มันนั่งดูทำไมล่ะทีนี้อากนไหนบอกชอบวิปัสสนาในพิจารณาแยกแยะใครห้ามไม่ให้พิจารณาอย่าบอกโอยส ม, มถธรรมไมใ่ให้เกิดปัญญาอย่างเงี้ยใครห้ามไม่มึงคิดเด้อ ลองนั่งทีสามชั่วโมงนั่อือมันจะอยู่ยังไงจะตัรู้ไปไว้ไหนทีนี้อืมถ้ามีพิจารณานั่นมนี้ต้องพิจารณาทั้งนั้นแหละไม่มีปัญญาไม่จะสงบได้เนะื่องอ๋อมันจะเป็นแบบนั้นและถ้าไม่มีความสงบเป็นฐานรองรับมันจะพิพพจารณาที่จะสร้างปัญญารู้รอบในกองสังขานได้เลยมันก็ต้องมีปัญญาเป็นเรียวกวอยู่อือเรเยกว่ level. ก็เหมือนเหมือนนาฬิกาใสเห็นไยมนะก็เห็นชอบคิดชอบทําการงานชอบเพียรชอบสตีชอบแล้วก็มาสมาธิชอบคอดกลางอ่าแล้วก็ทีนี้ก็จะบานออกไปนั่งคืบขนโซดาส ก, กิธาอนาคาอลหันกับฤเบี้ยวความรู้สึกออย่าเหมือนชั้นบรรยากาศมันไม่มีป้ายบอกหรอกเธอโพสเฟียตาตัวเซียเอ็กโซเฟียดอะโอเคป่ะแต่ความห น, น, นั้น่นของอากาศเป็นตัวแปร ก็นีไ่ไงความหนานแน่นของอารมณ์ความหนานแน่นของความสาคัญมันม่นหะมายนะมากน้อยแค่ไหนโซดาสกิธานาคารนะนั่นอย่าเป็นแบบนั้นคือมันไม่มีป้ายบอกแต่มันจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกนะใช่แต่ความหนานแน่นของอารมณ์ความสาคัญมันมม่นหมายมังก็จยบอบอกอ กมันเบาบางแล้วที่นี่อย่างโสดาด้วท่านก็ไม่เป็นผู้ดูชนแล้วท่านไม่ได้สงสัยแล้วนี่ในสภาพแวดล้อมนี่ท่านไม่มีแรงความรังเลยสงสัยท่านไม่มีสีลับตาปรามาตรมุ่งค้นตื่นเข่าวเขาว่านู่นว่านี่น ะ, ะแล้วท่านไม่มีความรู้สึกเดิมสักกายทิฏฐิความเห็นเดิมแต่เริ่มความเห็นของท่านก็จะเป็นอยู่ในมรรคแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามที่บุรุษเจ้าว่าอืมนั่นไงท่านก็อ่านหามุ่งท่านนะอืเป็นแบบนั้น แต่ของเราก็ยังสงสัยทั้งทั้งที่ทรู้แค่นี้ไงอวิชชาปัจจยาสังขารไม่มีใครไม่รู้มันก็รู้ทั้งนั้นแต่มันไม่ได้รู้จริงตามเป็นจริงอะก็เหมือนดาวทอดดวงนี้ตรงนี้สว่างอีกมุมหนึ่งต้องมืดอืมเพราะมันไม่ใช่แสงจากตัวมันเองออ่ะ่ะเแสงมันมาจากดาวเลือกเหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้ปัญญาเรารู้ทั้งรู้แต่เราก็สงสัยอยู่ลึกๆอะ นั่งในยังขากูอยู่นี่ในธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟในคาร์บอนในโดเจนออกซิเจนไนโตรเจนแคลเซียมก็ขากูอยู่ดีไม่ใช่หรือมีเป็นแบบนั้นโอเคไหมมีสอบถามไหมครับคุยได้เลยครับคุยได้เลยครับก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับ ก็เหมือนเหมือนนักมวยก็ไหว้ครูก่อนนี่แหละให้มันลดความตื่นเต้นซอบซอนลงหน่อยก็โอเคแต่ทีนี้ถ้ามันโอเคแล้วก็ไม่มีปัญหาเหมือนนักกีฬาจะลงสนามเขาให้วอร์มก่อนอ่ะเครื่องบินจะขึ้นยังวอร์มเลยมมีเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราโอเคแล้วก็ไม่มีปัญหาล่ะเอออยากแต่ทีนี้ในสาระจริงๆคือให้เรียนรู้แหละระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า น่ามันเขาไหว้ครูมวยเขากันนั่นแหละไหว้ครูกันแล้ลึกถึงครูของเขาอ่ะนี่กับครูของเราก็พระพุทธพระธรรมพสงฆ์นี่ไงแล้วลึกถึงท่านอย่างน้อยก็ตะล่อมจิตให้มันหนีจากเรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องช่องซะก่อนอให้มันเบาบางหน่อยนึงตั้งสติให้ดีแล้วก็ค่อยพุทโธพุทโธไปเลยแต่ถ้าเราคุ้นชินแล้วก็ไม่ต้องไปลีลาเยอะอนั่นก็ได้ออืืมมพุทโธไปเลยก็ได้นั่งเลยจั่างวัดเรานี่ก็อ เราพานั่งเลยห 5, 5้าห้าโมงเย็นหรือหกโมงเยน็นแล้วก็พานั่งสามชั่วโมงเลยลราค่อยๆเราไม่วัดเย็นแล้วเราเป็นวัดดึกบางทีก็สี่ทุ่มก็มีแต่เราก็แบบไม่ไหวครูยาวเราไฟติ้งเป็นมวย <c oughs> ไม่ได้มวยลีลาอยู่เป็นแบบนั้นขนะที่ร่างกายมันยังสดชื่นอยู่อย่างเงี้ยก็นั่งไปเลยอย่างเงี้ย แล้วจากนั้นก็ค่อยมาทาวัดสวดมนต์้รลึกถึงบุญคุณของพระพุทธธรรมระสงค์เรารู้จักบาปบุญคุณโทษดีช่วทุกวันนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่ครูวาจันบอกสอนก็คือเอาคำสอนพระเจ้ามาถ่ายทอดต่อกันมาไงโอเคไหมอืมอืมแต่จะไปอ่าเขาบอกว่าดววเ็ดแก้วเป็ใ จอตคืท่านรู้อืมอ่ามันไม่มีแน่หรออืมมันเป็นพลังงานอืมพลังงานอืมอะไรนั้นมันก็ว่าไปเป็นตัวเป็นตากันให้โยมคอยตามไป พยายามที่เข้าไปสู่ความสงบให้ได้ <c oughs> แล้วก็จะรู้เองไม่งั้นเราก็จะเมมสัญญานี้ไว้แล้วเราก็จะไปปรุงเลยทีนี้จากสัญญาเป็นแบบนี้แล้วก็พยายามปรุงขึ้นไปะจากจินตนาการก็มาเป็นจินตภาพแล้วอืมอ <c oughs> ่าเราเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นด้วยก็เลยเป็นวิปลาดอืมคือคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง Yeah. แค่ความรู้สึก it just the feeling <c oughs> แค่ความรู้สึก <c oughs> ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป <c oughs> ไม่ไปใส่ใจมันในเรื่องรูปรักษ์นู่นนั่นนะี่ชั้นให้อยู่กับคำบิกรรมพุโทโธพุโทโธไว้คือเอาตัวรู้มาฝึกนะที่จะอยู่กับปัจจุบันหนีจากแรงกระทำมันจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับข้าสัมปสิทธิ์เดี๋ยวนี้ท่านนั่งปุ๊บก็อยากจะสงบอยากจะเห็นเห็นไหมมันก็มีไม่อยากล่ะที่นีืมันจะต้านกันอยู่ภาะวะตันหากับวิภาวะตันหาอยากสงบก็ไม่อยากฟุ้งซ่านนั่นะ อยากเป็นปกติก็ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแะ ล, ละแกล้งกาทํากับข้าสัมประสิทธิ์แล้วก็เกิดอุทธจักรกุกจักรฟุ้ฟงซ่านลำการใจกับเอนโทกปีนความไม่เป็นระเบียบว้าวุ่นในใจนะอืมเพราะยานั้นไม่ต้องไปสนใจนแต่สงบไม่สงบอะไรไม่เอาเอ า, เอาแค่พุทโธพุทโธนี่อท่านนี่ยออ่าื ม, มคือทักษะเนี่ยเอป็นแท็กติกที่จะเบียงเบนอความรู้สึกของตัวเองที่บุรุษเจ้าท่านสอนอืท่านดูลมอัศสาสัปัสสาสัป แบบนั้นเพื่อจะสร้างความสงบที่แท้จริงให้คือบ้านที่แท้จริงเนี่ยนะให้มีบ้านที่แท้จริงก่อนนะก็เหมือนเรงเครื่องบินมันจะต้องมีสนามบินด้วยถ้าพิสัยทำการไกลเขาจะต้องมีเรือบรรทุกเครื่องบินเแต่บินอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้มันก็จะต้องลงพักลงจอดบ้างนี่เหมือนกันถ้าไม่มีบ้านที่แท้จริงคือความสงบเป็นฐานรองรับหร อ, อ อ, อันก็ฟุ้งอย่างบ้าบอกก็แตกแล่ะไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวนี้พวกเราก็เหมือนโฮมเลดอะพวกไร้บ้านยังไม่มีความสงบคิดอยู่ตลอดไงเป็นแบบนั้น ท่านถือพยายามให้ทําความสงบให้เกิดขึ้นนะในกรรมฐานฐานคื อ, อคือที่ตั้งกรรมคือการกระทําที่ตั้งในการกระทาอยู่พุทโธพุทโธนี่นะเพื่อจะสร้างบ้านที่แท้จริงคือความสงบให้อ่พอเห็นได้ความสงบโอเคมันมีกําลังออกมาแล้วค่อยมาพิจารณาพิจารณาที่จะแยกแยะ <c oughs> ทําลายตัวเองเนี่ยแหละทาลายตัวเองถ้ามันเข้าสู่ความสงบอืมอันต้องจะมีกําลังในแง่ประสาทวิญญาณมันต้องไปอยู่ในระดับนุ้นนะ ทึงทีต้ามันถึงจะใช้ประโยชน์ได้แค่เอลฟานี่ยคืลืมความทุกข์ไปบางครัง้งบางคราวมันก็ยังไม่พอที่จะเป็นผลมากอัอปปนาสมาธิก็ระดับ เ, เดลต้าคืออวาากาศเลยขึ้คือไปพักจะได้ไม่สงสัยเริ่มความสงบแต่มันพิจารณาอะไรไม่ได้ตรงนั้น <c oughs> พิจารณาไม่ได้เพราะมันลึกเกินถ้าท่านไปเอากำลังทำาบไบ่อะทำใบไบ่ <c oughs> แล้วออกมาขึ้นความถี่ของสมองมันก้าวไปสู่ระดับอัลฟาในไอระดับนั่นแกมมามันึ้องจะสร้างปัญญาที่จะเหนือมนุษย์ได้ของเราทุกวันกับเบต้าแค่นั้นแหละที่ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ตึกต้องให้ควรมาปฏิบัติพุทโธพุทโธไปกับลืมความทุกข์ลืมพุทโธไปบางครั้งบางคราวก็ระดับอัลฟาละกัคณิกะนั่นแหละแอืม แต่ถ้าลงลึกกว่า น, นั้นสามารถดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ได้แต่ไม่ตอบสนองสิ่งเราอ่าก็ระดับ อ, อุปจารสมาธิคือจิตจ้อนในแง่ราสาวิทยาก็ระดับทีต้านะอ่มตรงนี้มันจะใช้งานได้ก็เหมือนอดาวเทียมที่ไปอยู่ในระดับเทอร์โมสเฟียร์เนี่ยดูผลงานของอ่าดาวเทียมสี่ที่นี่ดู Google แ a p ที่ที่นี่ อืมลองขยายดูซิทันนะอล้วบาอาจารย์ท่านอยู่ในเลเวลนี้ท่านถึงจะมาพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังแต่ปลอดมั่นใจท่านถึงขยายให้ดูได้แต่อย่างเห็นก็ดูชิ้นเล็กๆอย่างเงี้เนี่ยเนี่ยเป็นนิมิตอุขาหันนิมิตเกิดขึ้นอ่าท่านจะกำหนดให้มันใหญ่ขึ้นกําหนดให้มันหายอให้มันใหญ่ขึ้นนะเป็นบ้านเป็นตึกใหญ่ขึ้นเป็นถ้ำที่ท่านเดินอยู่ในโพรงจนกระดูกอแล้วท่านพิจารณาแยกแยะ อ๋ อ, อมันก็แค่นี้เองถ้าเห็นาหายสงสัยมันก็วางถ้าจิตวางแล้วถามว่ามันจะมีอะไรยึดถ้าจิตไม่ยึดมันจะมีอะไรทุกข์อ่าก็ลองขยายดูในกูเกิ e แ a บบกันนั่นแหละแต่ของเราเดี๋ยวนี้มันขยายอะไรได้ไมิได้จำมาเฉยนั่นไงเป็นปัญญาในสัญญาของคุณหมอทั้งหลายก็คือปัญญาในสัญญาอืม ไงเลยพูดมันก็นรู้หมดแล้วก็รักษาคนไข้ได้แต่เป็นปัญญาในสัญญารู้ทั้งรู้แต่ก็ไม่เบื่อหนอา่ายใครกําหนดอืมแต่ของครูบาอาจารย์เป็นปัญญาที่รู้เท่าสัญส ญ, ญาพอการนั้นเลยการสงบของท่านคือสงบจากสัญญาจากสังขารจากเวทนาอืมนะ ไมเป็นแบบนั้นคือพีฟอนทอนมีคุณภาพสามารถเหตุผลามาควบคุมอเมซาลาสามารถหาเหตุผลามาควบคุมฮิปโปแคมปัสได้ไอพวกนั้นก็นเลยมีแต่รู้หนึ่งเดียวไม่มีสัญญาไม่มีสังขารตัวปุงแต่งก็เลยเป็นมักสมังคีนั่นคือรู้อยู่หนึ่งเดียวไม่สงสัยเลยเพะมีเหตุผลไปควบคุมไอพวกนั้นต่สงสัยอะไร อืมน่นภาวานานเดี๋ทีนี้มาอยู่กับโรคมันก็อยู่ได้รู้จักสมมุติเคารพสมมุติแต่ไม่ติดในสมมุติอืมสมมุติในก้อนในขอในคอก็เคารพสมมติดูแลไปอ า, าอาหารอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแต่ไม่ติดในสมมุติอ <c oughs> ืมมันก็ต้องป่วยได้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้เดี๋ยวมันก็ตายก แ, แค่นั้นเองอืมไม่ได้มาจะสนใจอ ย, อยู่ตรงนั้นอ่า <c oughs> เพราะจิตผู้รู้นี่คือตัวไปอร่างกายอ่าไม่เผาก็ฝังคาร์บอนในตัวเจนออกซิเจนในตัวเจนมันจะเป็นอะไรมันก็คืนสู่ธรรมชาติออืมเด่นเด่น น, น, น, นั่นมาสอนตรงนี้ถึงเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าจเจริญคอนโทรลจิตตัวเองมันจเจริญธาตุรู้ถ้ามันจเจริญแล้วมันก็จะอยู่ได้แบบ อืมนคลายไม่ยึดติดอืมอืมมาภาวนาอคือมาสะสมพลังงาน่ะนทางฟิสิกส์เพื่อจะไปทําลายแรงเในฟิสิกส์สลายพันธะในเคมีลดละอุปทานความสําคัญมั่นหมายความยึดมั่นถือมั่นในาศาสนานะอนนืนุญาตค่ะ การที่เราทําสมัติแล้วเราเห็นเกิดจากขอการที่ที่เราเรามีสิ่งอะไรมากระทบเราแล้วเราสามารถที่จะเอระงับได้เลยเช่นโกรธแล้วก็ที่จะเออไม่ต้องโกรธเดี๋ยวมันก็หายไปเลยเนี้ยมันมันเหมือนนิสัยมันยังไงคะถ้ามันมันมันมันร่างกายเข้มแข็งไงเห็นไหมเราเดี๋ยวนี้เราอยู่เราอยู่ท่ามกลางชีวโลกนั่นะ ถามว่ามีปัญหากับเชื้อโรคไหมล่ะอื <c oughs> ถ้าคุณเข้มแข็งคุณก็ไม่มีปัญหากับเชื้อโรคอะแต่แต่คุณอ่อนแอคุณก็สามวันดีสีวันไข่อะ <c oughs> เพราะว่าไม่ว่าคุณจะเข้มแข็งหรืออ่อนเนี่ยคุณก็อยู่ท่ามกลางเชื้อโรคเหมือนกันเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่คอยควบคุมและสลายเชื้อแปคทีร์มให้ที่เข้าสู่ร่างกายจะจะเป็นแบบนั้นถามว่าเม็ดเลือดขาวมีคุณภาพไหมล่ะ แต่เหมือนกันสติมีหน้าที่คอยควบคุมและสลายอารมณ์ให้ถ้าสติเข้มแข็งมันก็อยู่กับสิ่งเหลาได้ดีอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาหรอกอืมมนจะเป็นแบบนั้นเราไม่ต้องไปจําทฤษฎีมากอ่ะอมเป็นแบบนั้นอ่ารู้ระวังรู้ระวังเอยให้มันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้มีปัญหาหรอกความต่ำอิเล็กโตรเดนมิกแสงกับสารมีปฏิสัมพันธ์กันแบบไหนการกระเจิงของอิเล็กตรอนที่มันแรก เปลี่ยนฟตอนแล้วมันก็กระจิงบอกนี่ไงพระพุทธเจ้าพูดมาสองบรรนาลัยกัปีเลยตากระทบลูกหัวกรทบเสียงยามูงได้กลิ่นดินทั้งหมดรู้แล้วก็ว่างแค่กันแคความรู้สึกผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะนั่นของไฟแมนเดแกรมก็นี่ไงอืมอืมการกระจิงของอิเล็กตรอนมันแลกเปลี่ยนโฟตอนมันก็กระจิงบอกคือมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจะเกิดดับเกิดดับขึ้นมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเข้าใจตามเป็นจริงไม่เครียดหรอกแต่เปติดทฤษฎีกันเริ่มเลยนั่นเรียนอะกันอื ดูตัวเองเนะ่ยนถ้าเข้าใจจริงมันก็ไม่สงสัยอ่ ะ, อะถ้าสงสัยก็จำ ม, มาเฉยๆเรามาปฏิบัติเราออกกำลังอะไรก็เพื่อให้ร่างกายเข้มแข็งถ้าร่างกายเข้มแข็งคุณก็อยู่กับเชื้อโรคได้ดีอะเพราะโลกนี้จะไม่ให้มีเชื้อโรคเป็นไปไม่ได้มีทางเดียวคือคุณจะต้องอบริหารจัด ก, การตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อที่อยู่ร่วมกับมันได้ มีภูมิต้านทานที่ดีร่างกายเข้มแข็งมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะสร้างสติให้เข้มแข็งสร้างสติเข้มแข็งพวกคุณก็จะอยู่กับสังคมซับซ้อนวุ่นวายได้ง่ายอะ่ะ <c oughs> <c oughs> จะไม่ให้เห็นรูปจะไม่ให้ได้ยินเสียงจะไม่ให้ได้กินนู่นนั่นนี่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอืม <c oughs> มันต้องเจออยู่แล้วอืม <c oughs> เรามีชีวิตมีประสาทสัมผัสมันต้องตอบสนองสิ่งเรา กระทบกันตากระทบรูปหูกระทบเสียงมันต้องเกิดความรู้สึกแต่ความรู้สึกไม่ใช่กิเลสความสําคัญมันหมายในความรู้สึกเป็นกิเลสทาไงอย่าทันล่ะอืถ้าสติเข้มแข็งมันรู้รู้เลยกระวางมันกระจุกมันก็ไม่ได้มีปัญหาในการประมวลผลมีคุณภาพเหมือนโทรศัพท์มันแหลมเยอะลอมมากมันก็โอเคไงเป็นอย่างนั้นโอเคป่ะนี่แหละ มาเพิ่มล้อมขยายแหลม <c oughs> มีจะได้ประมวลผลเร็วสติเข้มแข็งอืมขยายล้อมมันก็ไปเก็บข้อมูลไวเยอะเวลาถูกเล่ามันจะได้มีข้อมูลมาสนับสนุนหรืยหักล้างนะเพิ่มพื้นที่ประมวลผลกันนั่นสติเข้มแข็งนั่นมันก็จะประมวลผลเร็วอืสิ่งนี้คืออะไรยังไงนี่ <c oughs> เข้มไหมเออ จะอยู่ๆเลง่ายแบบคนนี้เห็นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีก็เออไม่ใช่พระรหลานเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นพระหลานคงไม่ทําเร็วมั้ง น, นัมันก็เกิดการคอนโทรลตัวเองไม่ใช่ไปคอนโทรลเขาอือ ม, มันก็จะอยู่แบบนั้นแล้วมันมีเหตุที่จะคุยกันไม่เหร อ, อ, อคุยได้มันก็คุยดูบรรยากาศไม่น่าลงทุนก็อนชะรอโปรเจกต์ก่อนะบางทีก็ล้มเลิอกอ <c oughs> มันกำลังปีติอยู่ไปคุยอะไรกับมันบรรยากาศไม่น่าลงทุนโอเคป่ะอย่างนั้นเดี๋ยวไปเอาหลักการและเหตุผลไปคุยกับคนมีอารมณ์มันก็ไม่ใช่อืมโอเคนะเนี่ยทำบ่อยๆแล้วเราก็จะรู้เองเลยที่จะอยู่กับคนอ่า อืไอ้ขนบัวกับเขาบัวนี่แหละความต่างฮะพระอนาคามาเกิดยังมีไอ้พวกที่แบบโอ้โหไม่มีงัวปนเลยไปกลับอ่ะมกงแบไม่ดูเลขนาดนั้นเลยดูดิ พระอนาคามาเกิดโอ้โหคุจะไปปฏิบัติเอาเฮี้ยอะไรหนึ่งพระอนาคายังไม่เกิดเฮี้ยเลี่ยมมันยังสามารถสร้างโมเลกุลกับธาตุอื่นอยู่เลยตลกไม่ได้อีก เช็คดูตัวเองว่าเป็นงัวหรือเป็นอะไรกันไม่ใช่เรื่องวันปฏิบัติโอ้โหหลวงปู่หลวงตาอะไรแย่ๆนี่คุณจะไปอะไรในยุคกึ่งพุทธกาลอีก ไขมันใหญ่ยิ่งใหญ่เท่าหลวงปู่มั่นนะเพราะทุกองคับปัจจุบันที่เรากราบอยู่นี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นดังนั้นที่ท่านปฏิบัติเว้นไว้แต่เราไม่เชื่อท่านก็โอเคแล้ะกะละไว้ในฐานที่เข้าใจเป็นสิทธิส่วนบุคคลได้แต่ถ้ายอมรับหลวงปู่มั่นกะนั่นแหละก็ทําตามท่านกะจบแล้วแหละเออ เนี่ยไม่ต้องไปอะไรแต่เทไปเ้มากับพวกเฮโรพุทธก็จะไปแบบนั้นแอละไปแบบนั้นน่ะไปเลื่อยเชยตามเขาว่านั่นแหละลักษณะสีละประตะประมากิคือมงคลตื่นข่าสังโยชน์ตัวหนึ่งอ่ะในสังโยชน์สิบอ่ะ เนื่องจากวิจิกิจชาเนี่ยลังเลสงสัยอยู่ก็เลยมีศีลประตับประมาทมงคลตื่นข่าวอืมก็เลยจะเชื่อตามเขาศักยะทิถิคือความเห็นเดิมตามที่เขาว่าในกระสั่งยศสามเลยนะอืมเป็นแบบนั้นถ้าทไม่ลงมือปฏิบัติมันก็จะมีอยู่แล้วแหละมันก็จะเฮไปตามเขาว่าอ่าคือประเภทประเภทเหตุไม่สนผลจะเอาไงอืม อะไงั้นแขงแค่จิ้มแล้วก็จะบรรลุมัง้งมันไม่ใช่หรอกมันง่ายเป็นนั้นเลยลูกกูก็ไม่มานั่งมันเมื่อยแล้วมราจะไปมั่งเหมือนกันหน่ <c oughs> แล้วก็มีแบบค ว, วดสองหมืนห้าโดยไม่ใช่แล้วไปนี่ฟานโอ๋ก็ไอเราก็บวดนานเนอะเดี๋ยวถ้ามึงบอกกูแต่ก่อนกูก็ไม่มานั่งปันนี้หรอก ถ้ามีทางลัดขนาดนี้แกค่สองนห้าเนาะก็จะไปหากู้ยืมมานี่จะไปนิพพานเนี่ยอือก็จะเป็นแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่ง่ายแบบนั้นหรอกจะไปเอาอกาศโดยไม่ผ่านชั้นบรรยากาศมันเป็นไปฟม่ไดอยู่แล้วนอกจากเมาเกาวอ๋เมื่อก่าเราเด็กดมเกาเลยล่ะเนี่ยเราเด็แบบดมทินเนอร์เลยล่ะเนี่ย เราเราเล่นหมดอ่ะเราฉีดผงเขาเล่นทั้งเบอร์สามเบอร์สี่เด็ไดอัรสุขรรณเราเราแพมลาเกตินแเรียบเนี่ยโอ้โหย่นึ่งพวกเด็กๆตรงนั้นโอ้โหยเด็กทุกวันนี็กกักกักประเภทเรียกร้องความเสมอภาคเท่าเทียม เรียกร้องหาสิทธิ์เปล่านั่นบอกไม่ใช่ก็พวกพวกเจนจังเจนเนเรชั่นจังไร ไใชแล้วเรานี่ทุกคนที่เจ๋งจริงเนี่ยไม่ไม่คิดที่จะไปดีดดิ้นที่จะเปลี่ยนสภาพแรือร้อมตามเป็นจริงแต่หันมาบริหารจัดการตัวเองเราเป็นได้ทุกอย่างในดาวเคราะห์ดวงนี้ตามกําลังความรู้ความสามารถของเราแม้แต่หมาเห็นไหมเน่ะพวกเคนายอ่ะนะมันยังมีมูลค่าต่างกว่าหมาจอนจัดหมาคุยขยะ นั่นขนาดหมาหแต่มันจะต้องถูกฝึกฝึกก็คือฝืนตัวเองเขาจะต้องถูกลิดลอนสิทธิ์ล่ะนั่นที่จะต้องมันทำพฤติกรรมใหม่ซ้ำๆ ซ, ำซกากๆในการดมระเบิดหรือดมยาเสพติดน่ อและนานๆเขา้าเขาก็คุ้นชินอยู่กับพฤติกรรมใหม่ที่เขาได้ฝ <c oughs> ึกมาเรียนรู้มาเขามีศักยภาพในการที่ดมระเบิดดมยาเสพติดถามว่ามูลค่าทางสังคมของเขาเคนายอ่ะหมาดมระเบิดดมยาเสพติดกับหมาจัจัดหมาคุยขยามูลค่าต่างกันไหมหระกันนี่เหมือนกันถ้าเรามีโอกาสเรียนเราตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยนะ อเราก็จะมีความรู้เรามีความรู้เราก็มีศักยภาพในตัวเองเรามีศักยภาพในตัวเองอ่าเราก็มีสถานภาพทางสังคมที่ดีฐานะทางครอบครัวที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีที่พระเจ้าสอนนะนะไม่ใช่มันจะต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเพื่อ น, อ น, นั้นโอ๊ยอันนั้นกากเมาเกาหื <c oughs> มไม่ใช่เป็นได้ทุกอย่างอ่าจากความรู้ความสามารถดูสีเจนผิงเด็เป็นไงเขาเกิดท่ามกลาง เจ๋งไม่โลกเออแจ็กมาเป็นเจอาของอาลีบาบาคือ level อัพเลเวลตัวเองอ่าเนี่ยเป็นนายทุนท่าการโครงสร้างคอมมิวนิสต์เนี่ยเอถ้าเจ๋งมึงไม่ต้องไปห่วงหรอกต่อให้เป็นเผามนุษย์กินคนมึงก็จะเป็นหัวหน้าเผาอย่างน้อยก็รู้เคยเผาถ้ามึงเจ๋งอ่ะ อ๋อ <laughs> ไม่ปไปโวยวแล้วพวกเราทํางานอยู่เในนี้กับโครงสร้างสังคมแบบนี้แล้บอกการปกครองแบบนี้ไม่ใช่หรือแล้วพวกเราก็จะมีสถานภาพทางสังคมแบบนีเ้เพราะอะไรกันไงเพราะพวกเราเจ๋งไงเนอะถ้ากามันไปอยู่เมริกายุโรปมึนก็เป็นแค่โฮมเลสพวกไรบ้านกากไงี้เรเวียนแบบนั้อ เสดายโมเลกุลกระบวนการคิดไม่ต่างคารามีเซียมเลยจะดูเป็นคนเป็นแบบนั้นไม่ใช่อก็ถามเรื่องระหว่างส า, ามีครับปฏิบัติธรรมกับภรรยาที่ปฏิบัติธรรมสามีบวชมาหราียนมา แต่การปฏิบัติธรรมกับภรรยาเนี่ยฮะก็คือว่าภรรยากับ อ, อยู่กับปัจจุบันได้ดีกว่าอืมอืมอืมได้ดีกว่าอืมถามว่าเราว่าสามีิยาภรรยาครับการปฏิบัติของทั้งสองคนเนี่ยคือคนที่เป็นผู้ปฏิบัติเป็นสามีอืบยังยังยังแยกแยะให้ออกไปอืมอืมอืม หมายถึงว่าผู้หญิงกับผู้ชายภารยาเนี่ยก็มีสิทธิอบเรตได้นะค่ผ้หก็จะมีความโกรธต้องต้องมีทุกคนนะทุกโกรธแต่รู้สึกว่าภรรยาจะมันจัารดีกว่าแต่เราอ่ะต้องบวชทำปฏิบัตวเราแบบนี้ยังไงคือเข้าวัดทาสถิติไง ใช่ใสร้างสภาพลักอ่ะแต่จะไม่ดูผลลัพธ์อ่ะเนี่เขาเขาปฏิบัติอยู่ตลอดการปฏิบัติคือการคอนโทรลตัวเองบริหารจัดการตัวเองเงแล้วแล้วทีนี้ดูผลลัพธ์ของเขา อ, ะอ่ะ อ่าเห็นไหมนะเขามีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีมีเหตุผลมีทักษะที่จะยับยั้งชั่งใจได้ก็แสดงว่าเขามีธรรมคือมีความพอดีในใจของเขาเนี่ยอยายจะเป็นแบบนั้นแต่ของเราเนี่ยเอาแต่ภาพลักอ่ะคือเราไปวัดบ่อยนะเราชอบเข้าวัดนะเราชอบปฏิบัตินะแต่ดูผลลับอ่ะไม่ใช่อ่ะอืมกจะเป็นแบบนั้นมันต้องมาดูตรงนี้ด้วย อย่าไปดูแดดให้ลงมือสมาธิก็คือนั่งนานนะครับเนปะ็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนะี่ยได้ได้ได้ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกันนะสมาธิแต่ผู้หญิงก็ภรรยายก็ไปนั่งแต่กัน อ, อ, อยู่ได้ดีกว่ากันยังไงเราถึงบอกว่าต้องดู ด, ดูผลลัพธ์ด้วยเพราะบางคนก็มีทิฏฐิมานะนั่นแหละหรือสีเขานั่งในนานกว่าเราอีกเดชะนึเ น, นะ เออถ้าไปเอาสถิติต ร, ตรงนี้ก็ไม่ใช่ก็จึงบอกว่ารูผลลัพธ์ด้วยอือดูผลลัพธ์ด้วยหลังจากที่นั่งมาแล้วได้ประโยชน์อะไรทีนี้น่ะคุณนั่งเอานั่งเอาเวลาเฉยๆนั่งเอาสถิติตเพื่อที่จะเกทับบั๊บแหลกเมียเฉยๆคุณไม่ได้ไปทำลายกิเลสตัวเองเลยเอ่ะเออคุณมีความอดทนอดกั้นสูงไหมล่ะที่จะฟังเขาอ่ะ อ่ะไม่ใช่คุณเอาแต่ตักกะหนุนตัวเองโดวยว่าตัวเองชอบเข้าวัดแล้วตัวเองภาวนาตัวเองอย่างนั้นอย่างนงี้อ่าแล้วก็มันได้เมียเมียก็สวนซ่า <c> อ <oughs> ่าแล้วคุณก็งโง่คุณแยกไม่ได้หนสนามรบที่ไม่มีทางที่คุณจะชนะหลอกเมียนะเออ <c oughs> <c oughs> จริงเหรอ เออพยาะฉะนั้นคุณปฏิบัติคุณจะต้องปฏิบททัติที่นั่นแหละพยายามที่จะหักห้ามตัวเองคิดด้วยเหตุด้วยผลทีนี้ด้วยความเป็นทิฏฐิมาหน้าเนะ่ะอืม อ, อคุณจะต้องพยายามที่จะเหนือเขาอะอืมแพ้ตลอดแหละอืมขนาดแม่สอนลูกแม่สอนลูกชายนะก็วเวลา ต่อไปออกไปข้างนอกอ่าถ้าอยู่กับสังคมรอบนอกเขาถ้าเป็นมีปัญหากันต้องมีสติอคิดให้ดีก่อนนะที่จะไปตอบโต้นู่นนั่นนี่นถ้ามีปัญหากับคนที่อ่อนกว่านี่นับหนึ่งถึงสิบค่อยตอบโต้ถ้ามีปัญหาคนที่อาวุโสกว่านี่นับหนึ 50, ่งถึงห้าสิบคือจะได้มีเวลายับยั้งชั่งใจวิเคราะห์ให้ควรแล้วค่อยตอบโต้ะแล้วทีนี้กับเมียน่ถามแม่แม่บอกว่ามึงก็นับไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องพูด ครับมีท่านใดจะสอบถาม มีคำถามนะครับก็เป็นธรรมะทีพประยุกต์นะครับสำหรับชีวิตการใช้ชีวิตจริงๆนะครับแล้วโดยอาศัยการปฏิบัติการควบคุมบริัจาการตัวเองที่จะมาใช้กับชีวิตประจำวันซึ่งมันใกล้ตัวมากครับลองคิดดีทองคำนะ ไม่ใช่เศรษฐียื่นให้หรือจะเป็นทองคำต่อให้ขอทาำหยิบยื่นให้มันก็เป็นทองคําถ้ามันเป็นทองคําแล้วคนที่รับน่ะรู้จักคุณค่าของทอง ค, คําอ่ำแล้วในแบบนั้นน่ะธรรมะน่ะไม่ใช่ว่าโอ้ยเมียเราไม่เข้าวัดหรอกสิ่งที่เขาก็ทําสิ่งที่เขาพูดจะไม่ใช่ธรรมะอกไม่ใช่ถ้ามันเป็นธรรมใครนําเสนอก็เป็นธรรมนั่นนั้นแหละขี้เล่าแท้ๆน่ะมันพูดธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะเอ้ยมึงเกี้ยกูทําดีได้ดีทําชั่วได้ช่วยนะนะ ว่าไม่เป็นธรรมะเลยมันก็เป็นธรรมะเลยไม่ใช่ต้องมานั่งทำดีได้ดีทำชื่อด้เชื่อโอเคว่าล่ะฟังเบียบ้างว่าไม่ดี ว่าเราดีใช่ก็นี่ไงเราก็พยายามที่จะอหาสิ่งที่แบบว่าจะต้องเหนือเขาอ่ะสิ่งที่คุณผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความเหนือเมียแค่นั้นนราไม่คิดอะไรเลยอ่ะโดยเอาเสถิติต่างๆอะนั่งกูต้องนั่งนานกว่าอันนั้ น, นมาหน้าที่สิเขามีนั่นน่ะ <c oughs> ไม่ใช่นั่นน่ะก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเลยนั่นน่ะเออ แต่ความหนาแน่นของมวลความสําคัญมันหมายมากความหนาแน่นของมวลก็มากความหนาแน่นของมวลมากกันหนักมากหนักมากก็ทุกมากในใจนเห็นไหมนะเออเออความสําคัญมันหมายน้อยความหนาแน่นของมวลก็น้อยกระเป๋าไม่มีความสําคัญมันหมายเลยก็ไม่มีมวลเลยอ่ะอืมก็เป็นอิสระมวลกิเลสอ่ะต้องดูะมันกุ่นอยู่ตรงนี้ พ่เมียว่าเมียเมียเมียเมียพูดปุ๊บรู้สึกมันขวางหูเลยไงทั้งทั้งที่บางทีก็ถูกอ่ะแต่จะต้องหาเหตุผลมาที่จะเหนือเขาไม่ใช่